รู้ทางหยุดอกุศลละธรรมตอนกำลังสบายใจคุณจะไม่อยากพูดเรื่องน่ารำคาญใจตอนจิตกำลังเป็นกุศลคุณจะไม่อยากคิดเรื่องที่เป็นอกุศลแต่โลกนี้ไม่ปล่อยให้คุณสบายใจได้นานนักแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่อยู่แล้วเกิดแต่กุศ ล, ลจิตได้ตลอดความสบายใจและจิตที่เป็นกุศล จึงต้องจุดชนวนขึ้นจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกหมายความว่าต้องตั้งใจสร้างไม่ใช่ปล่อยใจรอเมื่ออยู่กับคนอื่นถ้าอยากพูดเรื่องน่ารำคาญใจให้ตั้งใจพูดเรื่องอื่นที่ทำให้สบายใจกว่าแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดเรื่องน่ารำคาญใจให้ตั้งใจพูดสั้นที่สุดแม้ถ้าคุณอยากพูดสั้น แต่คนอื่นหาเรื่องต่อความยาวสาวความยืดก็อย่าได้เห็นเป็นข้ออ้างต้องไหลาตามนั้นคุณต้องสั่งให้ตัวเองสะสมพลังของผู้พูดอย่างมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกวันถ้ามีสมาธิกับเป้าหมายคุณจะพูดไปถึงเป้าหมายได้ลัดสั้นและมีพลังเสมอแต่ถ้าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับคู่สนทนาเล่นตามเกมเขา ไม่ให้เขามาเดินตามทางเราสมาธิในการพูดก็จะขาดพลังหรือกระทั่งในที่สุดก็แพ้ต้องพายเรือในอ่างร่วมกับเขาไปแปลว่าผลไม่ใช่อะไรมากกว่าต้องจมอยู่ในวังวนอกุศลละธรรมด้วยกันไปทั้งคู่เมื่ออยู่กับตัวเองถ้าอยากคิดเรื่องอกุศลให้ตั้งใจเปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศล แต่ถ้าจำเป็นต้องคิดเรื่องอกุศลให้ตั้งใจคิดเอาข้อสรุปที่เป็นกุศลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าไม่มีทางที่ใครจะคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลได้ตลอดเวลาแค่ฟังบางคนพูดแย่ๆคุณก็อาจแวบนึกอยากตกปากเสีเพี้อย่างห้ามไม่ได้ขึ้นมาแล้วประเด็นคือเมื่อคิดแย่ๆ แล้วคุณตั้งใจเปลี่ยนเป็นคิดให้ดีได้แค่ไหนเช่นกำหนดไว้ว่าจะไม่พูดแย่ๆโตตอบเขาแต่จะเลือกคำพูดให้เขาสบายใจรักคนเกรงใจเขาจะได้ลดอาการอันเป็นอกุศลธรรมลงซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มพลังกุศลธรรมของคุณขึ้นด้วยสรุปแล้วตัวความตั้งใจ ที่จะสร้างความสบายใจและทําจิตให้เป็นกุศลนั่นเองคือกรรมทวนกระแสถ้าขาดความตั้งใจก็ไม่มีกรรมดีๆชนิดนี้เกิดขึ้นทุกคนต้องไหลไปด้วยกรรมตามกระแสกันหมดชีวิตคนส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในเขตอกุศลธรรมมีจิตเป็นอกุศลเต็มไปด้วยเรื่องไม่น่าสบายใจกันโดยมาก เสร็จแล้วก็ร้องว่าทำไมซวยนักทำไมโชคร้ายตลอดทำไมเทวดาไม่ช่วยบ้างเลยหากเทวดามีจริงท่านก็น่าจะต้องทำกรรมทวนประแสะไว้มากใช้ชีวิตอยู่ในเขตกุศลก่อนตายเมื่อเป็นเทวดาก็น่าจะเอ็นดูอยากช่วยคนที่ตั้งใจทำกุศลและกรรมเป็นหลักผู้มีบุญเช่นท่าน ไม่น่าจะต้องเสวยบุญด้วยการมีภาระหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยคอยตามช่วยลากคอบรรดาคนตามกระแสให้ขึ้นปังเพื่อพ้นจากการไหลบ่าลงหุบเหวนรกเป็นแน่เพราะถ้าต้องช่วยหมดจํานวนก็หลายพันล้านเราจะเอาเวลาที่ไหนมาเสวยบุญส่วนตัวกันเล่ารู้ทางคลายเครียด เหตุใดเมื่อเผชิญเรื่องน่าเครียดจึงเกิดความหมกมุ่นเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีแม้จะมีความฉลาดทางอารมณ์ได้เคยผ่านการทำใจผ่านความรู้สึกปล่อยวางมาบ้างแล้วทำไมจิตจึงยังไม่เลิกถือมั่นเสียทีคำตอบคือจิตเป็นธรรมชาติที่ชอบยึดแถมกายยังช่วยยึดเป็นอัตโนมัติอีกด้วย แม้จิตอยากปล่อยวางแต่ถ้าปฏิกิริยาทางกายยังคงชินที่จะยึดอาการยึดก็คงค้างอย่างนั้นไม่หายไปไหนลองสังเกตดูทันทีที่จิตใจตอบสนองกับเรื่องน่าเครียดจะเกิดปฏิกิริยาทางกายบางอย่างเข้าร่วมด้วยเป็นอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นสำหรับบางคนกลามเนื้อบริเวณต้นคอต้นแขน น่องจะบีบรัดขมิเงเกลียวขึ้นมาพร้อมๆกันในขณะที่สำหรับอีกคนอาจตึงขมับแน่นแล้วค่อยๆทยอยไล่าลามลงมาเป็นขบกรามนิ้วงอฝืนฝ่ามือขึ้นเท้าจิกงุ้มเป็นต้นชุดมัดเนื้อที่ประสานงานกันเหล่านั้นมีจุดร่วมเดียวกันคือรักษาอารมณ์เครียดไว้ เกิดเรื่องน่าเครียดทีไรแต่ละคนจะเกิดอาการทางกายซ้าๆกันแบบเดิมไม่เลิกแม้ฉลาดทางอารมณ์บ้างแล้วเข้าใจหลักการปล่อยวางบ้างแล้วส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างเดิมไม่หายตราบเท่าที่ยังไม่มีการฝึกสลายทีมงานสร้างความเครียดชุดเดิมๆบ้างการพยายามฝึกในขณะเกิดเรื่องแล้วนั้น มักสายเกินไปเพราะมัดเนื้อต่างๆร่วมมือกันเล่นงานคุณจนหมดความสามารถตั้งสติซะก่อนฉะนั้นหนทางที่จะรับมือได้จริงคือเตรียมตัวล่วงหน้าโดยสร้างกลุ่มการทำงานของมัดเนื้อแบบผ่อนคลายเอาไว้พูดง่ายๆคือฝึกทั้งร่างให้ชินกับการผ่อนคลายแทนการรัดแน่นเหมือนที่ผ่นานมา กลุ่มมัดเนื้อคลายเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้และเมื่อสร้างสาเร็จก็สามารถสลายมัดเนื้อเครียดได้ทั่วร่างกลุ่มมัดเนื้อดังกล่าวได้แก่ฝ่ามือฝ่าเท้าและใบหน้าจำหลักการไว้ง่ายๆหากเคยชินที่จะทำให้สามจุดนี้คลายตัวได้คุณจะสบายตัวตลอดไปทั้งชีวิตที่เหลือวิธีฝึก ไม่ว่าจะกำลังนั่งยืนเดินหรือนอนไม่ว่าจะกำลังว่างหรือมีเรื่องน่าคิดเครียดให้มันถามตัวเองบ่อยๆว่าขณะนี้เรากำลังเกรงตรงไหนบ้างไล่ขึ้นมาชัดๆทีละจุดจากล่างขึ้นบนคือฝ่าเท้าฝ่ามือมาจนถึงใบหน้าแค่ตั้งคำถามไว้ในใจเพียงเท่านี้ คุณจะรู้สึกถึงปฏิกิริยาตอบสนองทางกายทันทีเมื่อเห็นเท้าเกรงเท้าจะคลายออกเมื่อเห็นมือเกรงมือจะคลายออกเมื่อเห็นหน้าเกรงหน้าจะคลายออกอาจมีบ้างที่บางคนเครียดสะสมจนคลายบางจุดไม่ออกโดยเฉพาะใบหน้าและขมับถ้าเป็นเช่นนั้นให้หายใจสบายๆช่วยทีหนึ่ง แล้วสังเกตอีกครั้งว่ามีการผ่อนคลายลงสักนิดหนึ่งไหมถ้าพบว่าผ่อนคลายลงแม้แต่นิดเดียวให้ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วในครั้งนั้นยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่จุดการทำงานของมัดเนื้อผ่อนคลายก็ยิ่งเกิดขึ้นมากปรุงแต่งจิตให้เข้าลักษณะลอยวางทีบ่อยขึ้นเรื่อย แม้เริ่มฝึกได้เพียงวันละสิบรอบคุณก็จะเห็นความแตกต่างเช่นเมื่อต้องเผเชิญสถานการณ์เคร่งเครียดจิตและกายอาจเกิดอาการยึดแน่นขึ้นมาในวูบแรกแต่แล้วก็จะเกิดสติขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติแถมสติดังกล่าวจะไปกระตุ้นการทำงานของกลุ่มมัดเนื้อผ่อนคลายขึ้นมาเองโดยไม่ต้องฝืนเนื่องจากมีการตรเตรียมไว้พร้อมแล้ว ถ้ารักจะเห็นผลให้จริงก็ต้องฝึกจริงไปเรื่อยๆแม้สถานการณ์ปกติก็ไม่เลิกสร้างกลุ่มมัดเนื้อคลายเครียดให้เหมือนกับที่เคยชินกับการสร้างกลุ่มมัดเนื้อเคร่งเครียดมาทั้งชีวิตแล้วไม่นานคุณจะพบว่ายิ่งเผชิญหน้าสถานการณ์ชวนเครียดมากขึ้นเท่าไหร่ร่างกายและจิตใจจะยิ่งถูกฝึก ให้เข้าหมวดมีสติผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น